บุ๊กทูเจ็ดสิบเจ็ดเรษฐาร์อิศเรศเหตุผลบางประการสามทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ ตตดิฉันต้องการลดน้ําหนักค่ยะยาโมรมส์มิรชัติดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ําหนักค่ยะยาเย n นเยเดมเย่โมรมส s มิรชัติทําไมคุณไม่ดื่มเบียค่ะ z a ชโตเนพิเอเตพิวโว ดิฉันต้องขับรถค่ะ ja moram j ยชวอซิตีดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะยากาเนพิเยมเยร ER ยชโมรมวอซิตีทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะซาสโต e p i ิเยชคาฟู มันเย็นแล้วค่ะคลาดนะเยดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะยเ า, เ, าะเย่เนติเยมเยรเย่ลาดนะทำไมคุณไม่ดื่มชาคะざสโตเนปีเยชชไชดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ เนมม์ชาเชราดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะย a กาเนพิมเยรเนมม์ชาเชราทำไมคุณไม่ทานซุป z a ชโตเนยเดเตซุ u p u ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะยาเยนิซม n ารุ cio, ่ยเชียวนารุเชลดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ ja เย่เนยเด n ม e r เ e n เนิซมนารุ่ย ท, ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะจ่าชตูเนยเ e เ e เมโซดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะย ls ซม vegetarian ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ y a g a n ä j d e n jersam, vegetarian ic.